ต้องต้องเจริญสติต้องทําความรู้สึก พอมัน นะเมื่อรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาก็มีนี่แหละเพื่อเจตนาเราสุดไปเพื่อ แต่เราให้สงบเนี่ยมันไม่มีสติทันความคิดแบบนี้มันจะนิ่งให้ให้มันนิ่งให้ ดูเฉยๆรู้เฉยๆนี่แหละคือไม่เข้าไปเป็นความคิดกับมันอ่ามันโกรธก็ไม่เข้าไปเป็นความโกรธกับมันเนี่ยแค่เราแค่ดู ถูกอันนั้นทุกก็มีเราอยู่ในความทุกข์เราก็ไปยึดมันแต่ถ้าเรารู้เฉยๆมันจะ ตอนนี้มันมันมันไม่เฉยมันรู้ไม่เฉยตอนไม่ชอบเพราะมันมีเราอยู่ในนั้นเนี่ย ทุกข์ก็เป็นอาการเกิดมาแล้วก็ดับอ่า เอานั่นเองเพราะฉะติทําความคิดเราคิดเหมือนกับศัพท์ชอบก็ศัพท์เฉยว่าชอบไม่ไปชอบกับมันมัน รู้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมันต่างอันก็ต่างเป็นธรรมชาติของ มันรู้แบบมืดอ่าถ้ารู้แจ้งมันต้องรู้ตามเป็นจริงใช่มั้ยอันนี้มันนะมันยังรู้อ่าสัตว์ใดนะมันหลงนะถึงล่มแล้วความ เป็นเพียงแค่เป็นความรู้สึกรับขึ้นมาในใจเราเท่า อ่าความโกรธมารู้ทันดับไม่ชอบรู้ทันก็ดับโกรธมารู้ทัน ฝึกสติไปเพื่อจะให้มันทันความคิดนี่แหละมันไม่ หินทับญาณอ๋อเจ้าเอาเห็นออกญาณกันนําเหมือนแต่อันนี้มันจะสงบถาวรนะถ้ารู้สึกตัวไปมัน เป็นหัวใจเหมือนเดิมนะกิเลสสติมันไม่มีอ่าสติไม่มีแล้วจะเอาปัญญามา อันนี้ถ้ารู้สึกตัวไปเนี่ยนะเจริญสติรู้สึกตัวไปมันจะได้ทั้งสติสมาธิปัญญาไปพร้อมกันไปด้วยกันเลย ไอ้สติเราเป็นอันเดียวกันหมดเลยงั้นมันแยกไม่ออกเพราะสติยัง มันแยกกายแยกจิตได้เห็นอย่างนี้ก็ดูดูมันเฉยๆรู้มันเฉยๆอย่างตนถ้าเราไม่เข้าไปยึดมัน อ่าโกรธก็ยึดเอามั้ยนะสุขก็ยึดเอาชอบก็ยึดเอาไม่ชอบก็ยึดเอาพอใจไม่พอ ประมาณน่ะสิโหกเนี่ยอีกมันก็ชิดมาอีกเออรู้เฉยๆ มันไม่ได้ไปสุขกับใครมันไม่ได้ไปๆพอมันอยู่อะไรมามันรู้หมดแต่มันเฉยเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นธรรมชาติของมันโดยทั้งนั้นใดทีนี้เนี่ยรู้เฉยๆก็รู้เฉยๆอ่าแล้วมัน พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วรู้อะนั่นจะเฉยอย่างเดียวแล้วทีนี้อ่าโดยเฉยอืออะไรมารู้หมดแต่มันเฉย แต่อานั้นชอบมันก็ไม่ไม่เอาไม่ชอบมันก็ๆๆเลยอ่ะอย่างนี้ไปเพื่อจะให้มันอ่ะนะรู้โดยธรรมชาติของมัน เพื่อจะให้ไปถึงจุดนั้นล่ะจุดมุ่งหมายของเราเฉยอันนั้นจะไม่มีเราจะไม่ เจอหลวงพ่อไปยังไงมาไงลองว่าให้ให้ไอ้เพื่อนเพื่อนครับหลวงพ่อแล้วก็เพื่อน ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิหลับตาอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวง มันรุนแรงกว่าเดิมค่ะคือด้วยพื้นเดิมเป็นคนที่เค้าเรียกว่าเป็นคนที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอออกมาเนี่ยอารมณ์ จนเงี้ยค่ะทําทํา 2-3 วันแล้ว ไหนลองลองทําตามวิธีหลวงพ่อซิว่าจะเป็นยังไงจะเอาแบบให้จริงๆจังๆก็ แล้วพอเลิกงานกลับมาก็ว่าเหมือนมันไปเห็นว่าเอ๊ะเราเราเห็นความ เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมันรู้ปุ๊บไอ้ความคิดตัวนั้นคิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับลงออ ทำยังไงก็ได้จะคิดออกไปยังไงก็ได้จะคิดว่าเราก็ หลังจากนั้นมันเปลี่ยนค่ะหลวงพ่อมันมันเห็นตามที่คือหนูหนูอยากถามค่ะคือมันพ่อเสร็จเสร็จแล้วทีเนี้ยหนูก็เริ่มทําทําเยอะ จนจนกระทั่งว่าเหมือนมันขยับขึ้นทุกวันที่หนูรายงานหลวงพ่อ ใช่ค่ะหลวงพ่ออ่าเนี่ยมันรู้ตัวทั่วพร้อมตอนนี้ พอลืมเสร็จมันก็มีอยู่คืนนึงที่หนูรายงานหลวงพ่อว่าหนูเห็นไอ้ตัวผึ้งอ่ะผึ้งตัวใหญ่อ่ะ กับตัวสติตัวเนี้ยมันมันมาตัดว่าเป็นกรรมของสัตว์เราไม่ได้เจตนาไป จะมีคนคอยเฝ้าดูอยู่ว่า ไม่มีบอกแม่หนูไม่มีอะไรจะคุยจริงๆนะมันมันมันมันว่างมันจะบอก มันยังๆนะแต่มันเป็นทางแค่ค่ะอ่านี่แหละมันว่างมันก็เป็นอาการเกิดๆดูเฉยๆเหมือนเดิมนั่นแหละไอ้เรื่อยนะครับอะล่ะทางผ่านอ่ามันมันมันมันว่างอย่าไปหลงว่าเรา พอผมมาหลงมาแล้วมันเป็นแค่อาการเกิดดับอันนี้แค่อาการก็เอ๊ะมันหมดไปแล้ว โอ้มันมันรู้มันเฉยๆเออรู้เฉยๆอย่าเข้าไปเป็นอะไรอย่าไปเป็นว่างกับมันอย่าไปเป็นเฉยกับมันมีหน้าที่ดูเฉยนะมันเออนะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นรู้อุตตราโบหลงนะกูกูหลง ก็ลองๆนะกูโอ้โหอันเนี้ยอิสระมันเป็นยังไงหาตรงๆไปๆรู้ๆไปเนี่ย หนูก็กลับมายืนที่เดิมมายืนที่เดิมมาอยู่ที่เดิมๆวังมันมีๆจะถีเข้าไปเรื่อยๆจะ นี่เพราะฉะนั้นนี้ค่ะใช่มั้ยล่ะอย่าอย่าหนีจากรูมันน่ะมันจะออกไปปรุงแต่งมันออกจากจากรูอันนี้แหละค่ะอ่า อาหารของมันคือความคิดอิเรตอวิชชาเนี่ยอาหารของมันคือความคิดเนี่ยที่มันออกไปชิดปรุงแต่งไม่ได้มัน เราไม่ให้มันไปคิดปุงแต่งพอออกมารู้ทันมันเองเออเราก็ดูมันทํางานไปดูเค้าเรียก ที่มันได้กินอาหารอาหารมันคือความคิดความปรุงความแต่งใน หนูก็เอาสติจ่อไปเลยที่ใจเลยนั่นแหละนั่นแหละก็ดูมันอยู่ อ่าดูแค่นั้นล่ะไม่ต้องทําอะไรเนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็ดูแค่นี้แหละมันจะอ่อนแรงไปเรื่อยเพราะมันออกไปกินอาหารไม่ได้มันจะ <IS 2> <IS 2> <IS 2> แต่เวลาตัวจะอิ่มแล้วเนี่ยมันจะรู้ของมัน เนี่ยล่ะทํารู้เองเห็นเองเป็นเองหายสงสัยเองที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ไม่ อันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถูกมั้ยกินข้าวอิ่มอย่างงี้มันอิ่มมันเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยเนี่ยของหยาบๆนะความโกรธ ก็สมมติกินกลอโลกินอีมแล้วเรารู้เองไงเนี่ยล่ะรู้เฉพาะ มันจะหมุนอยู่ในเหมือนมีสติกับสมาธิอยู่ตลอดสติสมาธิ เขาก็มาของเขาหนูอยู่บนรถไฟฟ้าโอ้โหแบบ พอมันจ่ออยู่เวลาบันดุทําได้ตลอดอ่ามันอ่ามักเต็มอะไรก็เห็นเองเป็นเองหายสงสัยเองไม่ต้องไป กินข้าว ผู้รู้อยู่เนี่ยแล้ว เข้าไปร่วมอยู่กับตัวผู้รู้มันก็เลยเป็นผู้หลงเพราะฉะนั้นพอพอบรรพภาวเรารู้ว่าเป็นผู้รู้ผู้หลงแล้วปุ๊บเนี่ยมัน ผู้รู้ก็คือผู้รู้ผู้หลงคือตัวตัวเราอีกอีกตัวนึงที่ไปหลงรู้มันมีผู้รู้กับพี่สิ่งที่ถูกรู้ใช่พอพอพอพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าผู้รู้มัน อายุ 20 วันเหลือ 2567 มาเจอผู้ 14 พฤศจิกายน 25 มาเจอมา <25 S 1> มา 14 พฤศจิกายน 2567 ตอนนั้น กำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ําขณะที่ๆๆหมุนผมเฮ้ยอะไรวะมันหมุนก็ถามนะ ผมถึงหมอน้องว่ามันมาไปนั่งที่นั่งมาเรียกขึ้นห้องผาเลยนั่งตรงที่นอนเลย อ๋อว่าปุ๊บเค้าแทงทะลุจากคอเนี่ยขึ้นไปบนท้าย ผมถึงบางอ้อเลยอ๋อที่พระอาจารย์สอนสาธกบอกจิตเจ็บนี่ฉลาดเป็นแบบนี้เองเค้าประกาศตู่ไม่เค้าอิสระเค้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังขารนี้แล้วเค้าเป็นอิสระจากความนึกคิดต่างๆเค้า นิมิตเนี่ยมตัวร้ายเลยนะมาหลอกว่าเราสําเร็จปรนั้นนั่นนี่ๆเลยผมก็ไม่แต่ว่าผมอ่ะภูมิตั้งแต่ 25, 25 วันนี้ รู้สึกตัวอยู่ 14 ที่กลางน่ะที่ว่าจิตหมุนผมเห็นจิตหมุนนั่นแหละหมุน 9:00 น. แต่ปุ๊บผมก็แหลบแฉะแดดเปรี้ยงเลยฮะผมจะลุกไปหยิบกระเป๋าเก็บกระเป๋าเดินทางเพราะว่ามันวางอยู่กลางบ้านเค้าก็ถามว่าใครเป็นคนเห็นกระเป๋าผมบอกเอ้าตา <orian. S 2> เพราะเค้าอยู่ห้องไหนระเบิดระเบิดไปเลยระเบิดอัญญัติใช่ค่ะ ผมซ้ําต้อยตามธรรมสภาวะที่เค้า 4 แล้วดีดเอ่อรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปกองนึงเวทนาสัญญาสังขารกองนึง มันเหมือนมันเหมือนสิ่งแตกแตกอ่ะแตกแล้วก็รอเค้าบอกว่าเค้ามายุ่งเกี่ยวแล้วเค้าเค้า อยู่จนที่เขาให้อยู่แล้วค่อยไปพอถ้าเกิดครบกําหนดเมื่อไหร่ไปแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้อง แล้วก็มีอะไรก็ก็ก็คุยแล้วก็พอดีประธานน่ะมีไลน์กับผมกับคุณพ่อเพราะบนเขามันจะไม่ค่อยมีสัญญาณทางบอกเดี๋ยวๆดึงเดี๋ยวดึงป๋าเข้ามาในกลุ่มให้ก็ดึงเข้าไปแล้วก็ได้คุยคุยก็เสียงมัน วันที่ 5 5 ธันวาคมปีที่แล้วอ่ะก็เลยได้ขึ้นไปช่วยพระอาจารย์ชาวชกพระที่วัดสามุ่นทุ่งแล้วก็เลยได้ไป ที่ปฏินิสสะมันเป็นแบบนี้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมา ยิ่งไม่มีอะไรเลยว่างเลยเรามาเช่าเค้าอยู่เท่านั้นเองพอ ตัวป๊อปทุกท่านเนี่ยเค้าจะไปๆนั้นได้วิญญาณแต่ตัวผู้รู้อ่ะมัน น้องมะลีนี้เอ้อที่พี่ละน้องไม่รู้แหละที่พระอาจารย์ส่งคลิปมาให้ฟังอ่ะโอ้ไปได้เร็วมากแค่แค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองทําความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆๆแค่นี้แหละพบผู้ แต่หม่อมน่ะก็อาจจะเราโง่เราไม่รู้เรานึกว่าต้องไปเดี๋ยวเค้าจัดการตัวเค้าเองทุกอย่างของผมเค้าก็จัดแล้วเค้าก็ทําลายตัว ติดกับหลวงพ่ออยู่ตลอดคอยฟังเทศน์คอยคุยวิภาคกับหลวงพ่อตลอดมันก็ได้ดูสภาวะข้างในไปตลอดจริงเหมือนนั่นแหละทุกคนน่ะที่ที่ผ่านแล้วจะเป็นแบบ เนี่ยว่าพอพอเราได้ได้ได้อ่ะไอ้สิบตุ๊นั้นก็มีมีโยม มัน ทางชมรมเองก็จัดนิมนต์ครูบาจารย์มา คลิปหลวงพ่อถึงเมื่อก่อนท่านก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมาเผยแพร่เพราะว่าท่านไม่ได้รับเทศน์ไม่ได้เทศน์ไม่ได้ๆครั้ง แต่บอกว่าเนี่ยก็ก็ใช่นะผมก็เลยไปที่วัดตโโสก็ไปกราบหลวง เออควรฟังแน่หลวงพ่อเพราะว่าเค้าก็มีการทําบุญ YouTube พอ YouTube ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการเผยแพร่ค่อนข้าง เอ่อมันใช่เพราะหลายๆคนเนี่ยเค้าก็เค้าก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วพูดให้เค้าก็นั่งสมาธินั่งอะไรแต่ว่าคือพอ ออกไปเจอคนโน้นคนนี้เจอเจออะไรมากระทบก็กลับไปผิดก็ คนทาฟังก์ชันทะ อ่าศกลัยะนะเมตลมิกภาจารย์ท่านนำทางเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความมั่นใจว่าจะอ่าเพราะว่าถ้าเราเหมือนเราเรานั่งเรานั่งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าเราไม่ การทํางานอนิสงส์แรกก็คือการทํางานยังไงก็ยังอยู่กับคน แต่ว่าบางบางท่านที่มีความเพียรเช่นกันแต่ว่าไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ ตอนเนี้ยเดินทางไปแล้วเนี่ยก็ให้แชร์ เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกแค่ดูมันเฉยๆรู้มันมามามามา แต่ถ้าเราไม่ไม่รู้เฉยๆมันทุกข์ มันเฉยก็รู้เฉยๆมันสุขก็รู้เฉยๆมันทุกข์ก็รู้เฉยๆอย่าเข้าไปวางกับมันอย่าเข้าไปเฉยกับมันอย่าเข้าไปสุขกับมันอย่าเข้าไป ไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เข้าไปแก้ไปไผ่ เห็นตามความ ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นพระฐีเมื่อไหร่มันจะวาง มันจะไม่ชอบแม่งชังมันจะเฉยเนี่ยเฉยรู้เฉยๆของมัน เพราะเราไม่ไม่ทรงจิตออกไปข้างนอกพอทรงจิตออกไปเมื่อ เพื่อให้จิตมันใช่เน้นญาณบวชความรู้สึกตัวเนี่ยรู้ตัวต้องพร้อมรู้ แล้วก็รู้รู้รู้ชุดตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆสาดลงไปมากๆนำทิ้ง ถ้าตกตะกิดกระดิ๋ย अपन นั้นมันตลอดเนี่ยคิดๆๆๆมุงแปลงมันก็รู้ทันตลอดแบบมันจะรู้ตัวตรวจล้อมมันจะละเอียดเข้าไปเรื่อย ก็ออกไปหากินอีกรู้ได้กินความคิดปรุงแต่งกิเลสเนาะมีท่านใดอยากมีใครจะถามก็ได้ไม่เข้าใจอยากจะถามอ่ะครับไงจะถามมั้ยได้ โดยโยโฆคของจนได้ไปเรียนรู้กรรมฐานใหม่แบบพุทธานุสติคือเข้า มันจะเป็นตัวโยกโคงแล้วก็รู้แล้วก็หายแต่ถ้าเข้าพุทธานุสติด้วย เอ่อดูลมต่อหรือเดินปัญญาต่อด้วยการดูกายคราวนี้หนูแค่สงสัยเฉยๆค่ะว่าปิติที่เกิดขึ้นแต่ละกรรมฐาน ที่มันถาวรคืออย่างเกิดระดับหมดทุกอย่างนะเกิดระดับเอ่อเรื่องของมันนะมันเกิดมาก็รุมันดับก็รุไม่ต้อง ไอ้อย่างที่อิสระก่อนโอ้โหน้องจะลืมไอ้ปิติแบบนี้ พอไปเจอทองน่ะชื่อจะกลัวก็เอาทองนะถ้าเจอเพชรก็ชื่อทองเอาเพชรกลับเอาของมีค่าตัว 2-3 เดือนดู 2-3 เดือน อัสสลุษคือตัวอย่างนี้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเลยเพราะมันจะทัน ทีเราพิจารณากายเพื่อจะสาวก็ไปหาจิตเข้าไปหาต้นตอเหมือนกันไปหาหัวหน้าใหญ่เหมือนกัน เอ่อจิตในบริสุทธิ์มันก็ยึดทุกสิ่งอย่างนั้น 2-3 เดือนถ้าไม่เห็นความแตกต่างค่อยไปทําแบบเดิม ถ้าเรานั่งบริกรรมให้ <ฮ ะ. S 1> สมุทัยความคิดเป็นสมุทัยอ่าทุกข์เพราะความคิดเนี่ยใช่มั้ยมันทําให้เราทุกข์หรือเปล่าความคิดเนี่ยโดนสมมุติเค้าด่าเค้านินทาให้เนี่ยก็เจ็บมันคิด อ่าไม่ทันนั่นน่ะตัวที่เขาไปเป็นความ ถ้ายังอยู่ตัวนี้ยังไม่ได้ก็มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบที่สุดนั่นน่ะตัวภาเขตพอตายคือ มันเป็นคนละอันแล้วความคิดอันนึงกับคนรู้คนคิดอันนึงกายกับ น่ะก็เป็นเราน่ะโกรธก็ 60 ปีหมุนเวียนอยู่ตรงความสงบเนี่ยนะไปไม่ได้หรอกแต่ ตั้งใจจริงๆจังๆในที่นี้ไม่ใช่เดินจงกรมทั้งวันหรือเป็นนั่งสมาธิด้านมันตูดลิงก็ไม่ใช่ก็รู้สึกตัวอยู่ทั้งวันเนี่ยทั้งอย่างเงี้ยเผลอก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนเดียวเนี่ยใหม่ๆก็ทํานี่นี่แหละคือเพียรนั่งให้ตามเตียงนอนพอ ไอ้เดินนี่สติมันก็ไม่ใช่ความเพียรเดินจนขาขาดมันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีสติความเพียรมัน ใครก็เดินได้ฉับก็เดินได้แต่มันไม่มีสติสตินี่คือเนี่ยมีความเพียรคือทํา มันสุเหรังจันอยู่กับ ได้มั้ยครับเนี่ยอย่าถามด้วยก็อ่าๆนี่ในการอ่าการเป็นการ ก็ต้องเราไปดูที่อ่าอย่างอย่างนี้เค้าก็เป็นเอกตรัสเฉพาะตัวเค้ายอมบางคนพอไปฟังพระเจ้าพูดนี่ เราจะทันอยู่กับสติอยู่กับจังหีบการจักขุนี่ให้มันอยู่กับนี้อันนี้ ดูทำไมจะปุ๊บหมดไม่อ่ะดูนี้ทำไมจะปุ๊บหมดผมว่าจริงๆเหมือนให้จิตเราเราคุ้นชินพอปุ๊บมันจะรู้สึกกลับมาที่ที่เดิมเลยใช่ที่กาย ตัวผมจะเดินลงห้องน้ําจะไปนั่งไปโถยายจะความคิดจะไม่ถูกถูกมันมันทํางานทีเดียว 2 หน้าที่ไม่ได้หรอกถ้ามันคิดมันก็ ตามนี้สติในความคิดมันมาไม่ มันจะเป็นคือกันเคยคลีนไปแล้วเออเวลามันก็ต้องก็เลยฝังว่าอย่างนั้นครับมันต้องเรา เอ่อมาก่อนสติต้องมาจับอยู่ที่กายเดินก็รั่วเดินเนี่ยต้องให้รู้สึกตัวว่าเดิน อ่าตามสเต็ปกายกับจิตเนี่ยที่ท่านให้มาปฏิบัติกับปฏิบัติเห็นจิตมัน อีกตระกูลรู้ทันโดยเองมันจะเข้าไปเห็นจิตจริงได้ได้พร้อมกันเลยอ่ามันจะแยกกายแยกจิตอย่างที่เค้าว่าให้ฟังเนี่ยมันจะแยกออกไม่ใช่ค้อนเดียวกันเป็นโครานเลยเห็นก่อนอือของเราอ๋อโอเคโอเคแต่ความคิดตัวใหม่จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกนะมันจะรอพี่เงี้ยไม่คิดอยู่เรื่อยๆนั่นแหละ มันแยกกายแยกจิตรู้เฉยๆแล้วทีเห็นมันหมุนอ่าเราเป็นแค่คนดูอย่างที่ อ่ามันยิ่งเอ้าก็ปล่อยนี่วิธีทําทําแค่นี้เออมันหมุนก็รู้ว่ามันหมุนแต่แต่ใจหรือเสีย แล้วมันจะเต็มรอบของมันแล้วมันจะเป็นเองกิน น่ะปล่อยให้ธรรมชาติเค้าทําเราแค่ คุณอย่ามาหลงผมนะธรรมชาติของผมเป็นอยู่อย่างนี้คุณอย่ามาแก้ผมธรรมชาติผมเป็นอย่างนี้คุณยอมรับผมเนี่ยแล้วคุณจะไม่ทุกข์แต่ถ้า เรา